บทที่4วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเกิดจากวิญญาณหลักปฏิจจสมุปบาทกล่าวว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปข้อนี้หมายความว่าการเกิดขึ้นของปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดเจตสิกธรรมชาติที่เกิดร่วมกับจิตและร่างกายขึ้นพร้อมกัน เจตสิกที่เกิดร่วมกับปฏิสนธิวิญญาณได้แก่ความรู้สึกเวทนาความจำได้หมายรู้สัญญาการกระทบผัสสะความตั้งใจเจตนาการใส่ใจมณสิการเป็นต้นที่เกี่ยวข้องกับกรรมกรรมนิมิตและคตินิมิตที่เป็นอารมณ์ในขณะใกล้ตาย จิตทุกดวงจะต้องมีเจตสิกประกอบร่วมด้วยเสมอปฏิสนธิชั้นสูงของพรหมเทวดาและมนุษย์หมายถึงการปฏิสนธิที่ประกอบด้วยกุศลเจตสิกสามดวงคืออโลภะอัโทสะและอโมหะแต่ก็ยังมีเทวดาและมนุษย์ชั้นกลางที่เกิดพร้อมด้วยเหตุสองคืออโลภะและอัโทสะเท่านั้น ส่วนการปฏิสนธิขั้นต่ำของเทวดาที่สถิตอยู่บนพื้นดินและมนุษย์ที่มีร่างกายพิกลพิการเป็นการปฏิสนธิที่ไม่ประกอบด้วยกุศลละเหตุไอเหตุตุกะปฏิสนธิคือปราศจากคุณสมบัติที่ดีทั้งหลายแต่อเหตุตุกะปฏิสนธิของมนุษย์ในสุขติภูมิก็ยังจัดว่าเป็นอโหติกะปฏิสนธิที่ดี เมื่อเทียบกับอเหตุตุกขปฏิสนธิในทุกติภูมิของพวกสัตว์ในอบายภูมิการเกิดอาจจำแนกได้สมประเภทคือการเกิดในคันมานดาพับพัสเสยกะการเกิดในที่ชื้นแฉะสังเสทชะและการผุดเกิดขึ้นโตเต็มที่โอปปาติกะการเกิดในคันมานดาแบ่งออกเป็นสองอย่าง อย่างแรกคือเกิดโดยคลอดเป็นตัวจากคันของมารดาชลาพุชะเช่นมนุษย์และสัตว์สี่เท้าอย่างที่สองเกิดเป็นฟองไข่ก่อนแล้วฟักเป็นตัวในภายหลังอันทัชะเช่นนกและไก่การเกิดของสัตว์นานาประเภทต่างๆกันทั้งในขณะเริ่มต้นขนาดและระยะของเวลาฟักตัว ในเบื้องแรกนี้จะกล่าวถึงการเกิดขึ้นของมนุษย์ตามที่อธิบายไว้ในคำพีอัตถคถาต่อไปการเกิดของมนุษย์การเกิดขึ้นของปฏิสนธิวิญญาณทำให้มีกรรมมชรูปกลาบรูปกลาบที่เกิดจากกรรมเกิดขึ้นจำนวนสามกลาบ หรือรูป30สรูปได้แก่กายะทัศกะ10บภาวัทัศกะสิบและวัตถุทัศกะ10บกล่าวคือกายทัศกะ1ิบประกอบด้วยกายยะภาษาทะรูปและรูปอื่นอีก9รูปคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีกลิ่นรสโอชาและชีวิต ภาวะสกะสิบประกอบด้วยปุริสภาวะรูปรูปที่แสดงความเป็นชายหรืออิฐีภาวะรูปรูปที่แสดงเป็นหญิงและรูปอีกเก้ารูปที่เหมือนในกายทศกะเมื่อภาวะทศกะได้พัฒนาสมบูรณ์ขึ้นสภาพความเป็นชายหรือหญิงจะปรากฏให้เห็นชัดเพราะ ภาวะรูปเป็นเหมือ น, นกลไกที่พัฒนารูปให้ปรากฏเพศและอากับกิริยาของชายและหญิงความแตกต่างนี้จะยิ่งเห็นได้ชัดเจนในกรณีของการกลายเพศส่วนวัตถุทัศกะสิบประกอบด้วยวัตถุรูปอันเป็นที่อาศัยของมโนวิญญาณจิตมีปฏิสนธิผวังจุติเป็นต้นและรูปอีกก้าอย่างเหล่านั้น มีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีบุตรชื่อโิยะได้มีจิตคิดชั่วต่อพระมหากัจยานะโดยคิดว่าพระรูปนี้ผิวงามน่าจะมาเป็นภรยาของเรากรรมชั่วนี้ได้ส่งผลให้เขากลายเพศจากบุรุษเป็นสตรีในทันทีลักษณะบุรุษของเขาได้อันตรทานไปแล้วมีลักษณะของสตรีเกิดขึ้นแทน และต่อมาก็ได้กำเนิดบุตรสองคนอีกด้วยเมื่อเขาสำนึกผิดและไปขอขมาต่อพระเถระจึงได้คืนเพศเป็นบุรุษอีกครั้งภายหลังเขาได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนจะมรณภาพเรื่องนี้คล้ายกับกรณีที่ถูกสุนักบ้ากัดและมีพฤติกรรมทางจิตเปลี่ยนไปคล้ายสุนัข ส่วนคนที่มีเพศวิปริตคือเป็นหญิงก็ไม่ใช่เป็นชายก็ไม่เชิงนั้นเป็นผู้ที่ปราศจากภาวะรูปมีเพียงกายทัศกะสิบและวัตถุทัศกะสิบอันเป็นที่ตั้งทางกายภาพของปฏิสนธิวิญญาณผวังคจิตและจุติจิตเป็นต้นเท่านั้นดังนั้นในขณะปฏิสนธิโดยทั่วไป จึงมีรูปเกิดขึ้นเป็นที่ตั้งของปฏิสนธิวิญญาณคือรูปกราบสามกลุ่มหรือรูปสามสิบอย่างประกอบกันขึ้นเป็นกุละซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตตามคำพีทางพระพุทธศาสนารูปที่เป็นตัวอ่อนในคันนี้มีลักษณะเป็นหยาดน้ำใส ขนาดเท่ากับหยดน้ํามันที่ติดอยู่ปลายขนตัวจามรีเท่านั้นจึงมีขนาดที่เล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก้อละนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่เกิดจากการผสมกันของน้ําอสุจิของบิดาและระดูของมารดาถ้าเราไม่ยอมรับในข้อนี้ก็ยากที่จะอธิบายได้ว่าเหตุใดเด็กจึงมีรูปร่างหน้าตาคล้ายพ่อแม่ ดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ในพระสูตรต่างๆว่าร่างกายเป็นผลรวมของธาตุทั้งสี่และอสุจิของบิดารวมทั้งระดูของมารดาในพระไตรปิฎกยังได้ระบุเงื่อนไขาสามประการที่จำเป็นสำหรับการปฏิสนธิคือหนึ่งมารดาและบิดาอยู่ร่วมกันสองมารดาอยู่ในวัยมีรดู 3. ม, มีปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นเมื่ออสุจิและระดูจากบิดามารามาผสมกันเกิดเป็นอุตตุชรูปรูปที่เกิดจากอุณหภูมิและเป็นไปได้ว่าอุตตุชรูปนั้นได้พัฒนาไปเป็นกรรมชรูปโดยมีรูปกราบทั้ง30กลุ่มผสมอยู่ในอุตตุชรูปนั้นอีกด้วย ตัวอย่างในปัจจุบันที่แพทย์สมัยใหม่สามารถผ่าเอาก้อนเนื้อร้ายออกจากร่างกายผู้ป่วยแล้วปลูกถ่ายเนื้อเยื่อที่ดีเนื้อเยื่อที่ถูกผ่าตัดออกจากร่างกายนั้นจัดเป็นอุตตุชาูกแต่เมื่อนำมาปลูกถ่ายในที่ใหม่จนผสานเป็นเนื้อเดียวกันมีประสาทรูปเดียวกับบริเวณข้างเคียงแล้วก็จัดเป็นกรรมชรูปนอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างการผ่าตัดเปลี่ยนลำไส้ของแพะมาปลูกถ่ายในร่างกายของคนหรือการปลูกถ่ายดวงตาที่ดีให้กับคนตาพิการเมื่ออวัยวะที่นำมาปลูกถ่ายนั้นเกิดมีกายยะภาษาทรูปหรือมีจักขุภาษาทะรูปขึ้นแล้วก็จัดว่าได้พัฒนาจากอุตตุชรูปเป็นกรรมชรูปในทํานองเดียวกัน จึงอาจสรุปได้ว่ากรรมมัชรูปกราบทั้งสามกราบได้พัฒนามาจากอุตุชรูปการศึกษาค้นคว้าของนักชีววิทยาชาวตะวันตกทำให้ค้นพบว่าการปฏิสนธิเกิดจากการผสมไข่ของมารดากับตัวอสุจิ สเปิร์มจากบิดาหลังจากนั้นจึงพัฒนาเติบโตขึ้นเป็นทารกในคันนารยะเริ่มแรกตัวอ่อนมีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าการค้นพบนี้ตรงกับเนื้อความในพระไตรปิฎกว่าด้วยการปฏิสนธิซึ่งพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระปัญญาโดยไม่พึ่งเครื่องมือใด พระองค์ทรงทราบว่าชีวิตเริ่มต้นจากรูปกาลาบสามกลุ่มที่ประกอบได้รูปสามสิบอย่างซึ่งรวมเรียกว่ากลละอันเป็นผลจากการผสมอสุจิของบิดาเข้ากับระดูของมารดาความรู้เหล่านี้พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเมื่อสองพันห้าร้อยปีมาแล้วแต่ นักวิทยาศาสตร์เพิ่งได้ค้นพบเมื่อราว300รปีมานี้หลังจากได้ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานา น, านด้วยกล้องจุลทรรศน์จึงเป็นการยืนยันถึงพระปัญญาอันหาที่สุดม่ได้ของพระพุทธองค์นอกจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ชาวตะวันตกก็ยังไม่สามารถค้นพบการเกิดของรูปทั้ง30อย่างซึ่งอาจเป็นเพราะ กรรมัชรูปเป็นรูปที่ละเอียดมากจนไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยกล้องจุลทัศน์ด้วยเหตุนั้นนามรูปที่กล่าวมาแล้วก็คือเจตสิกและกรรมัชรูปที่มีปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยนั่นเองกรรมัชรูปนั้นมีการเกิดใหม่ทุกๆขณะจิตเริ่มตั้งแต่ขณะตั้งอยู่ ของปฏิสนธิวิญญาณเป็นต้นไปเช่นเดียวกับอุตตุชรูปและเมื่อผวังคจิตดวงแรกเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดจิตตระรูปรูปที่เกิดจากจิตในขณะเกิดขึ้นอุปปาทขณะของผวังคจิตนั้นเป็นต้นไปแต่จิตที่ทําหน้าที่สักแต่เห็นเป็นต้นทวิปัญจวิญญาณจิต ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดจิตตรรูปดังนั้นจึงไม่มีจิตตรรูปเกิดพร้อมกับทวิปัญจวิญญาณนจิตกล่าวโดวยสรุปคือการเกิดขึ้นของปฏิสนธิจิตเป็นปัจจัยให้เกิดเจตสิกประเภทต่างๆ ต, ติดตามมาเช่นเวทนาเจตสิกเป็นต้นตลอดจนรูปชนิดต่างๆคือกรรมชรูปโอตุชรูป และจิตต์ชรูปตามสมควรหลังจากกลนละมีอายุได้เจ็ดวันจะเจริญขึ้นเป็นอับพุท ธ, ธมีลักษณะเป็นฟองคุนคุณอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาจเจริญขึ้นเป็นชิ้นเนื้อเรียกว่าเปสิและในอีกสัปดาห์ต่อมาชิ้นเนื้อจะเจริญเติบโตเป็นก้อนเนื้อและอีกสัปดาห์ต่อมาชิ้นเนื้อจะเจริญเติบโตเป็นก้อนเนื้อ เรียกว่าคณะจนในสัปดาห์ที่5คณะนี้จะเจริญขึ้นเป็นปัญจสาขาคือมีปุ่มห้าปุ่มงอกออกเป็นส่วนแขนขาและศีรษะในคำพีวิสุทธิมรักนั้นไม่มีรายละเอียดของการเจริญเติบโตหลังจากสัปดาห์ที่5แต่ได้กล่าวว่าหลังจาก77วันคือ11สัปดาห์ จะเกิดมีภาษาทรูปสำหรับการเห็นได้ยินรับกลิ่นและลิ้มรสและเกิดมีอาหารชารูปซึ่งเกิดจากธาตุอาหารที่ซึมซาบอยู่ในร่างกายของมารดานอกจากนั้นยังกล่าวว่าทารกในครันมีเล็บมือและเล็บเท้าเกิดขึ้นด้วยแต่ไม่ได้กล่าวถึงพัฒนาการของเด็กทารกโดยละเอียดกว่านี้ เพราะผู้ปฏิบัติไม่จำเป็นต้องทราบและคงมีเพียงกลุ่มแพทย์ที่จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลอันละเอียดยิ่งขึ้นกว่านี้โอปปปาติกะกำเนิดสำหรับเทวดาในชั้นจาตุมหาราชิกาและเทวดาชั้นที่สูงขึ้นไปนั้น เมื่อปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยให้เกิดรูปกาลาบเจ็ดกลมหรือรูปเจ็ดอย่างคือคือจักขุทัศกะโสตทัศกะคานทัศกะชิวหาทัศกะกายทัศกะภาวะทัศกะและวัตถุทัศกะรูปกาลาบ แต่ละประเภทเกิดขึ้นได้ไม่จํากัดจํานวนตามขนาดของตาหรือหูเป็นต้นของเทวดาตนนั้นสำหรับพรหมในปฐมฌานพูมิทั้งสามฌานทุติยฌานพูมิทั้งสามาั้นและตะติยฌานพูมทั้งสามฌานตลอดถึงเวหัพลาพูมและสุทธราวาดสภูม นั้นไม่มีทัศกะกราบสามกลมุ่มคือคานทัศกะชิวหาทัศกะและภาวทัศกะมีเพียงทัศกะกราบสามกลมุ่มคือจักขุทัศกะโสตะทัศกะและวัตถุทัศกะพร้อมกับนวการาบหนึ่งกลุ่มคือ พร้อมกับนวกล า, าบหนึ่งกลุ่มคือชีวิตะนวะกระรวมเป็นสี่กล า, าบประกอบได้รูป39อย่างเกิดขึ้นพร้อมกับปฏิสนธิจิตโดยมีชีวิตะนวะ ก, ะกะระลาบทำหน้าที่แทนกายทักกะกะระลาบรูปกายของพรหมนั้นซึมซาบไปด้วยชีวิตะนวะ ก, ะกะระลาบ เหมือนกับร่างกายของเทวดาซึมซาบไปด้วยกายยะทศกการาบส่วนอสัญญาศาสตร์พรมนั้นไม่มีจิตเกิดขึ้นในขณะปฏิสนธิมีเพียงชีวิตตะนวกกการาบที่เกิดเป็นรูปกายของพรมเมื่อไม่มีจิตและจิตตชรูปซึ่งไม่รับรู้และไม่เคลื่อนไหวเป็นเหมือนรูปสลักไม้เท่านั้น แต่ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่าก็คืออรูปพรหมที่สถิตยอยู่ในอรูปภูมิอรูปพรห ม, รรมไม่มีรูปกายมีแต่ชีวิตที่ยืนนานหลายพันหลายหมื่นกับด้วยการสืบต่อของจิตและเจตสิกเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีวิจัยทางวิทยศาศาสตร์แต่จะสามารถรู้ได้เพียงเฉพาะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและโยคีผู้ทรงฌานอภิญญาสำหรับสัตว์ที่ถูกเผาไหม้ในนรกหรือเปรตที่หิวโหยอยู่ตลอดเวลานั้นไม่สามารถเกิดด้วยปฏิสนธิในคารมารดาหรือเกิดในที่ชื้นแฉะหากแต่ผุดเกิดขึ้นด้วยอำนาจกรรมในอดีตของตนเมื่อเกิดขึ้นก็จะโตเต็มที่เช่นเดียวกับพวกเทวดา เมื่อเกิดขึ้นก็จะโตเต็มที่เช่นเดียวกับพวกเทวดาโดยมีรูปกระลาบเกิดขึ้นเจ็ดกลุ่มหรือเท่ากับรูปเจ็ดสิบอย่างเกิดขึ้นพร้อมกับปฏิสนธิจิตพวกอบายสัตว์นี้มักจะไม่บกพร่องทางการเห็นหรือการได้ยินเป็นต้นเหตุเพราะจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานโดยการสัมผัสกับอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆ สังเสทิชะกํำเนิดเนื่องจากสัตว์ที่เป็นสังเสธชะกํำเนิดเป็นพวกที่เกิดขึ้นในที่ชื้นแฉะจึงน่าจะเติบโตขึ้นทีละน้อยแต่ในคำภีทางพุทธศาสนากล่าวว่าหากไม่มีความพิการทางสายตาเป็นต้นพวกนี้จะมีจักขุปปศาสตทเป็นต้นจเจริญเติบโตเต็มที่ทันทีเหมือนโอปปาติกะ เรื่องนี้ไม่อาจวินิจฉัยให้แน่นอนได้ว่าความจริงคืออะไรเพราะกรรมชรูปไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ดังนั้นจึงควรถือเอาในที่คล้อยตามพระคำพีการเจริญเติบโตของกรรมชรูปและรูปอื่นๆของพวกสังเสรชะและโอปปปฏิกะกำเนิดส่วนใหญ่เป็นคล้ายกับพวกขภเสยยะกะกาเนิด มีข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือในกรณีของสังเสธะชะกําเนิดนั้นอาหารรูปเกิดขึ้นตั้งแต่ขณะที่สัตว์กลืนกินอาหารหรือกลืนน้ำลายของตนเองวิถีจิตทางทวารห้าปัญจทวารวิถี วิถีจิตมีความแตกต่างจากพวังขจิตแต่ว่าพวังขจิตมีความคล้ายคลึงกับปฏิสนธิจิตโดยมีอารมณ์เดียวกันและมีองค์ธรรมเหมือนกันพวังขจิตจะเกิดขึ้นต่อจากปฏิสนธิจิตซึ่งมีกรรมเป็นมูลเหตุและรับอารมณ์หนึ่งในสามอารมณ์คือกรรมกรรมนิมิตหรือคตินิมิตจากพบก่อน ภวังคจิตนั้นไม่รับรู้อารมณ์ในพบปัจจุบันแต่มีลักษณะคล้ายกับจิตใต้สำนึกที่เกิดขึ้นในขณะหลับแต่ในขณะที่เราเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสและคิดนึกถึงเรื่องราวต่างๆจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกระแสจิตความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เรียกว่าวิถีจิต สมมุติว่าการเห็นเกิดขึ้นได้เพราะมีรูปารมณ์มากระทบกับจักขุปรสสาทรูปารมณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นใหม่ทุกๆสิบขณะจิตพร้อมกับจักขุปรสสาทและจิตที่รู้รูปารมณ์นั้นจักขุประสาทรูปกลุ่มหนึ่งย่อมเกิดพร้อมกับรูปารมณ์กลุ่มหนึ่งแต่ในขณะแรก ที่รูปอารมณ์เกิดขึ้นนั้นจะยังไม่มีกําลังมากพอจึงยังไม่ปรากฏแก่จักขุประสาทในขณะที่กระแสพวังคจิตกําลังดําเนินไปอยู่เมื่อพวังคจิตผ่านไปหนึ่งขณะจึงเกิดการกระทบของรูปอารมณ์กับจักขุประสาทพวังคจิตที่ผ่านไปหนึ่งขณะก่อนจะเกิดการกระทบของรูปอารมนั้นเรียกว่า อติตะผวังผวังที่ผ่านไปหลังจากนั้นจะมีผวังขจิตเกิดอีกหนึ่งขณะทรงผลให้ความสนใจกับอารมณ์เดิมเริ่มลดน้อยลงและเริ่มสนใจรูปารมณ์ที่มากระทบผวังขจิตดวงนี้ชื่อว่าผวังขจานะรณะผวังไหวตัวลำดับต่อจากนั้น ผวังคจิตจะเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งแต่มีกำลังอ่อนมากเรียกว่าผวังคุปัดเฉทะเมื่อผวังคจิตดวงนี้ดับลงกระแสผวางจึงถูกตัดไปด้วยจิตที่เกิดขึ้นทำหน้าที่พิจารณาอารมณ์ใหม่เรียกว่าอาวัชนะจิตคือจิตที่พิจารณาใหม่โดยพิจารณาตามทวารซึ่งเป็นที่เกิดของจิต เพราะเหตุนั้นจึงได้ชื่อว่าปัญจทวาราวัชณนะคือจิตที่พิจารณาอารมณ์หมายทางทวารห้าถ้าเป็นอารมณ์ที่ปรากฏทางใจก็เกิดมโนทวารวัชนะคือจิตที่พิจารณาอารมณ์หม่ทางมโนทวารหลังจากนั้นจะขูวิญญาณจิตจึงเกิดขึ้นทำหน้าที่เห็นรูปารมณ์ แล้วจึงเกิดสัมปติจสนะจิตคือจิตที่รูปารมณ์ที่พิจารณาไว้ด้วยอวัชนะจิตเป็นอารมณ์เหมือนใช้มือจับไว้มั่นพระวังคจิตมีสังขารเป็นปัจจยัยเช่นเดียวกับจักขุวิญญาณจิต และสัมปติจะชนะจิตจิตเหล่านี้จัดเป็นวิปากจิตซึ่งแบ่งเป็นสองชนิดคือกุศลวิปากจิตและอกุศลวิปากจิตแล้วแต่ว่าจะเป็นผลของกุศลสังขารหรืออกุศลสังขารแต่อวชนะจิตนั้นไม่จัดเป็นกุศลหรืออกุศลและไม่จัดเป็นวิบากด้วยแต่จัดเป็นกิริยาจิต หมายถึงจิตที่สักแต่ทากิริยาไม่ส่งผลเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นประเภทเดียวกับจิตของพระอระหันต์ซึ่งแม้จะบำเพ็ญกุศลก็ไม่ได้รับผลดีจากกุศ ล, ลกรรมที่ทำไว้หลังจากเป็นพระอระหันต์แล้วหลังจากสัมปติจจะชนะจิตรับปูปารมณ์แล้วจึงเกิดสันติรณจิตต่อมาทาหน้าที่ไตรสวนอารมณ์ว่าเป็นอารมณ์ที่ดี หรือไม่ดีเป็นต้นแล้วหลังจากนั้นวอดัพพนาจิตจะเกิดขึ้นทําหน้าที่ตัดสินอารมณ์และชวนาจิตเจ็ดขณะที่เกิดต่อมาโดยทําหน้าที่เสพอารมณ์ชวนาจิตมีความเร็วและแรงผลักดันซึ่งไม่มีในจิตประเภทอื่นเพราะเป็นจิตที่ประกอบด้วยเจตสิกที่มีกําลังแรง ซึ่งเป็นได้ทั้งกุศลและอกุศลเช่นอโลพะหรือโลพะจึงไม่น่าแปลกใจที่จิตชั่วร้ายมักพุ่งเข้าหาอารมณ์อย่างรวดเร็วดังนั้นความโลภจึงสามารถกระตุ้นให้เราดิ้นรนไปหาสิ่งที่ปรารถนาแล้วฉวยเอามาเป็นกำลังแรงและความโกรธเป็นแรงผลักดันให้เราโลดแล่นไปทำลายสิ่งที่เราไม่พอใจ อย่างไม่สนใจต่อเหตุผลนอกจากนี้ความลังเลสงสยัยความกระวนกระวายและความโง่เขลาก็เกิดขึ้นตอบสนองต่ออารมณ์ที่เข้ามากระทบนั้นๆในฝ่ายกุศลที่มีทํานองเดียวกันเนื่องจากเป็นธรรมชาติที่ว่องไวและมีกําลังแรงในกามภูมจึงเรียกชวนาจิตในกามภูมว่า กา ร, รชวนะหลังจากชวนะจิตได้เกิดขึ้นเจขณะแล้วทำให้เกิดตัดทา ร, รมณะจิตต่อมาอีกสองขณะทำหน้าที่รับอารมณ์ต่อจากชวนะจิตเหมือนคนที่วิ่งไปด้วยกำลังแรงจำต้องก้าวไปอีกสองาก้าวจึงจะหยุดวิ่งได้ นนในบางขณะยังเกิดอปนาชวนะในขณะบรรลุฌานและเข้าฌานสมบัติหรือขณะบรรลุมรรคผลและเข้าผลสมบัติ ด, ด้วยสำหรับจักขุทวานวิถีนั้นจักขุวิญญาณอาศัยจกักรุภาษาทรูปที่เกิดพร้อมด้วยอดีตพวังเป็นฐานที่เกิดส่วนวิญญาณอื่นๆนนั้นอาศัยหาไทยวัตถุ หรือฮัทยรูปเป็นฐานที่เกิดในวิถีจิตหนึ่งมีวิถีจิต14บขณะเริ่มจากอาวัชนะจิตไปจนถึงตธารรมะจิตดวงที่สองเกิดขึ้นเพื่อรับรู้อารมณ์ในปัจจุบันขณะวิถีจิตต่างจากพระวังคจิตตรงที่วิถีจิตเป็นจิตกระทำกรรมหรือเป็นจิตที่ตื่นตัว ส่วนผวังคจิตเป็นจิตใต้สํานึกคล้ายจิตในขณะหลับสนิทหลังจากตถารรมณะจิตสองดวงดับลงแล้วเป็นอันจบวิถีจิตหนึ่งวิถีแล้วจิตก็ตกผวังไปคือเกิดผวังคจิตขึ้นใหม่อุปมาเรื่องวิถีจิตกล่าวเปรียบได้กับบุรุษคนหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้ตนมะม่วงผลมะม่วงหล่นลงมาทําให้บุรุษนั้นตื่นขึ้น เขาหยิบผลมะม่วงขึ้นมาพิจารณาได้ของกลิ่นมะม่วงทราบว่าเป็นมะม่วงสุกจึงบริโภคมะม่วงนั้นเมื่อบริโภคเสร็จแล้วเขาคิดทบทวนถึงรสมะม่วงแล้วก็หลับไปอีกในเรื่องนี้ะวังขจิตมีกรรมกรรมนิมิตหรือคตินิมิตเป็นอารมณ์เปรียบเหมือนการหลับการเกิดขึ้นและดับไปของผวังคจิต เปรียบเหมือนการตกใจตื่นเพราะมะม่วงตกอาวัชนะจิตเปรียบเหมือนการรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาการเห็นรูปารมณ์เปรียบเหมือนการมองเห็นผลมะม่วงสันติรณ ะ, ะจิตเปรียบเหมือนการพิจารณาผลมะม่งวงวัฏพนะจิตเปรียบเหมือนการตัดสินว่ามะม่วงสุกชวนาจิตเปรียบเหมือนการกินมะม่วงและ ตถารรมณะจิตเปรียบเหมือนการคิดทบทวนถึงรสมะม่วงการเกิดพวังคจิตอีกเปรียบเหมือนการหลับไปอีกถ้าหากรูปารมณ์ที่เห็นนั้นไม่ชัดเจนจะเกิดอดีตพวังสองหรือสามขณะก่อนที่รูปารมณ์จะปรากฏแก่จักขุประสาทและในกรณีเช่นนี้วิถีจิตจะจบลงเมื่อชวนาจิตเกิดขึ้นเจขณะ แล้วมีพวังขจิตเกิดต่อมาโดยไม่มีตัารัมภณะจิตถ้ารูปารมณ์นั้นมีกำลังน้อยลงอีกจะเกิดอดีตพวังห้ถึง9ครั้งก่อนที่รูปารมณ์จะปรากฏแล้ววิถีจิตจะสิ้นสุดลงหลังจากที่โวฒทัพพณะจิตเกิดขึ้นสองหรือสขณะโดยไม่มีชวนะจิต วิถีจะจบลงที่เวทถับพระณจิตสำคัญมากในการปฏิบัติวิปัสสนาสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่เจริญสติกำหนดรู้อารมณ์ปัจจุบันอยู่นั้นไม่ควรแสวงหาหรือใส่ใจกับอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกิเลสเมื่อการกระทบของอารมณ์เชื่องช้าอาวัชนะจิตอ่อนและจักขูวิ ญ, ญญาณไม่แจม่มใสการรับอารมณ์ไม่ชัดเจน การไต่สวนอารมณ์ไม่มีประสิทธิภาพและการตัดสินอารมณ์ไม่แน่นอนดังนั้นจิตจึงตกผวังไปหลังจากที่อารมณ์ปรากฏขึ้นเพียงสองหรือสามขณะจิตอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้เกิดกิเลสขึ้นในใจและผู้ปฏิบัติธรรมได้รับรู้ถึงความเป็นอนิจจังทุกขัง และอนัตตาของสภาวธรรมนั้นๆในวิถีจิตเช่นนี้จิตเพียงสักแต่รับรู้ว่ามีการเห็นเท่านั้นโดยไม่มีกิเลสเข้ามาปรุงแต่งความเป็นไปของวิถีจิตที่ได้กล่าวมาพอสังเกตขั้งต้นนี้เป็นจักขุทวาลวิถีคือวิถีจิตที่เกิดทางจักขุทวาลสำหรับโสตทวานคานทวาน ชิวหาทวานและกายทวานก็มีในเดียวกันวิถีจิตทางมโนทวานมโนทวานวิถีมโนทวานวิถีมีสามประเภทโดยจำแนกตามชวนะจิตที่เกี่ยวข้องคือกามชวนะฌานชวนะ และมักผลชวนะวิธีที่สาคัญในการปฏิบัติวิปัสนาคือการชวนะวิธีในขณะที่กระแสพะวังกำลังเป็นไปอยู่นั้นเกิดอารมณ์ปรากฏขึ้นทางใจซึ่งอาจจะเป็นอารมณ์ที่บุคคลนั้นเคยหรือไม่เคยประสบมาก่อนก็ได้หลังจากนั้นพะวงังคจารณะเกิดขึ้นหนึ่งขณะ และหลังจากผวังคาจราระเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองกระแสผวังก็ถูกตัดไปด้วยมโนทวาราวัชณะจิตที่ทำหน้าที่เหมือนโวฒพณะจิตคือตัดสินอารมณ์แล้วเกิดชวนาวิถีเจ็ดขณะเสพอารมณ์ต่างๆเช่นกลัวโกรธสับสนศรัทธาสงสารเป็นต้น ชวนาวิถีที่ปรากฏทางทวารทั้งห้านั้นไม่มีพลังมากนักจึงไม่ส่งผลให้เกิดปฏิสนธิที่ดีหรือไม่ดีแต่อาจให้ผลในประวัติการเล็กน้อยส่วนชวนาวิถีที่ปรากฏทางมนโนทวานนั้นมีพลังมากพอที่จะส่งผลให้ปฏิสนธิทั้งดีและไม่ดีได้และทำให้เกิดวิบากอย่างอื่นได้อีกด้วย เราจึงจําเป็นจะต้องคอยควบคุมชวนะที่เกิดทางมโนทวารด้วยความระมัดระวังหลังจากเกิดชวนะจิตเจ็ดขณะแล้วตามด้วยตทารมณะสองขณะจิตก็ตกผวังไปดังนั้นมโนทวารวิถีจึงประกอบด้วยอาวัชนะหนึ่งขณะชวนะเจ็ดขณะและตทารรมณะสองขณะ ในกรณีที่อารมณ์ปรากฏไม่ชัดเจนวิถีจิตจะสิ้นสุดที่ชวนะเจ็ดขณะแล้วตกพวังโดยไม่มีตถาธรรมณะบางท่านกล่าวว่าถ้าอารมณ์นั้นอ่อนมากจิตจะไม่ขึ้นสู่ชวนะวิถีแต่จะมีอาวัชนะสองหรือสาขณะแล้วตกภาวังไปลักษณะดังกล่าวพบในขณะที่เรากำหนดรู้ความฟุ้งซ่าน ที่ไม่ปรากฏชัดเจนจึงไม่ผิดสภาวะหนึ่งในมโนทวารวิถีนี้เพราะตทารมณะจัดเป็นวิปากจิตส่วนจิตอีกสองอย่างคืออวัชนะจิตและชวนาจิตจัดเป็นกิริยาจิตซึ่งเป็นจิตที่ไม่มีสังขารเป็นปัจจัยปรุงแต่ง วิถีจิตที่เกิดติดตามมามโนทวารวิถีอาจจะเกิดต่อจากผวังคจิตเพื่อทบทวนอารมณ์หลังจากที่ปัญจทวารวิถีได้ดับลงไปในขณะเกิดมโนทวารวิถีดังกล่าวจิตเพียงแต่รับรู้รูปารมณ์ในระดับปรมัตทเท่านั้นปรมัทถรูป โดยมิได้คำนึงถึงสมมุติบัญญัติที่เกี่ยวกับอารมณ์นั้นว่าเป็นบุรุษหรือสตรีเป็นต้นดังนั้นในขณะเห็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้คิดว่าอารมณ์ที่เห็นเป็นอะไรเพียงสักแต่เห็นสภาวะประมัตา์เท่านั้นจึงควรกำหนดรู้อารมณ์ที่เห็นทันทีเพราะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องใส่ใจกับอารมณ์ที่ปรากฏต่อหน้า ให้ทันปัจจุบันขณะหลังจากที่มโนทวารวิถีดังกล่าวได้ผ่านพ้นไปแล้วและผู้ปฏิบัติธรรมไม่ตั้งสติกำหนดให้ดีจะเกิดมีมโนทวารวิถีเกิดตามมาเพื่อพิจารณารูปารมณ์นั้นอีกครั้งหลังจากนั้นจึงเกิดวิถีจิตที่เริ่มรับรู้รูปร่างสันฐานที่เป็นสมมติบัญญัติมโนทวารวิถีนี้ จะเปิดโอกาสให้ชวนะที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นได้และมะโนทวารวิธีต่อมาก็จะพุ่งความสนใจไปที่นามบัญญัติของรูปารมณ์นั้นๆเช่นเป็นบุรุษหรือเป็นสตรีซึ่งจะยิ่งเปิดโอกาสให้ชาวนะเสพอารมณ์ที่เป็นอกุศลมากยิ่งขึ้นและด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรกำหนดให้ทันปัจจุบัน ในมนโนทวารวิถีแรกหรือวิถีที่สองไม่ควรให้ผ่านพ้นไปจนถึงวิถีจิตที่สามและที่สีจะเห็นได้ว่าวิถีจิตในขณะเห็นโดยทั่วไปมีสี่อย่างคือการเห็นรูปการพิจารณารูปและการรู้รูปร่างสันฐานหรือความหมายที่เป็นสมมติบัญญัติและการรู้ชื่อที่เป็นนามบัญญัติ ส่วนในกรณีรูปารมณ์ได้รับนั้นเป็นอารมณ์ที่ไม่คุ้นเคยการเกิดขึ้นของวิถีจะมีได้สามอย่างคือการเห็นรูปการพิจารณารูปและการรู้รูปร่างสันฐานหรือความหมายที่เป็นสมมติบัญญัติได้แต่ไม่ถึงกับรู้ชื่อที่เป็นนามบัญญัตินอกจากนั้น ในกรณีที่มนโนทวานวิถีเกิดขึ้นทำหน้าที่รับเสียงเป็นอารมณ์ก็จะมีการเกิดของวิถีสี่อย่างคือการได้ยินเสียงการพิจารณาเสียงการรู้ชื่อที่เป็นนามบัญญัติและการรู้รูปร่างสันฐานหรือความหมายที่เป็นสมมติบัญญัติส่วนในกรณีที่ไม่เข้าใจภาษาที่ได้ยินอยู่ ก็เกิดวิถีจิตสามอย่างแรกเท่านั้นโดยไม่อาจรู้รูปร่างสันฐานหรือความหมายได้ไม่เพียงแต่วิปากจิตเท่านั้นที่เกิดขึ้นเพราะวิญญาณแม้ในเรื่องนามรูปมีวิญญาณเป็นปัจจัยนี้วิญญาณยังหมายรวมถึงกุศละศละจิตอกุศลละจิตและกิริยาจิตและไม่ใช่เพียงจิตในภพนี้เท่านั้น ยังหมายถึงจิตที่เกิดพร้อมกับสังขารคือกรรมในภพก่อนอีกด้วยดังนั้นจิตทุกดวงจึงจัดเป็นวิญญาณที่เป็นเหตุให้เกิดนามรูปสรุปความว่าข้อความว่าวิญญาณนปัจจยานามะรู ป, ปังเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปหมายความว่า นามคือเจตสิกอย่างเดียวย่อมเกิดในอรูปภูมิสด้วยอรูปาวจรกุศลจิตรูปเพียงอย่างเดียวเท่านั้นย่อมเกิดในอสัญญาสัตภูมิเพราะรูปาวจรปัญจมะฌานกุศลจิตที่คลายความพอใจในรูปนอกจากนั้นรูปตลอดทั้งร่างกายมีจิตตชรูปเป็นต้น และเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตย่อมเกิดในกรรมภูมิและรูปภูมิ26ที่เหลือจากอรูปภูมิสและสัญญาสัตว์ภูมิ